การปฏิบัติการรดูขัดทํามไม่ยังไม่เป็นมันก็หลาอย่างถ้าทําเป็นแล้วมันก็ไม่มีอะไร โอรนั่นแหละทำใหม่นักก็เป็นอย่างนั้นกันทุกคน่างทีก็เบียดข้านบาทีก็ขยายามาทีก็เบื่อนหน่อยคิดหน้คิดหำอะไรคิดอะไรถูกทำไมทำไมคิดเป็นอย่างนั้น บางทีก็คิดถ้าเรื่องงีสิ่งโน้นสิ่งนี้เรียบเทยบบาบางทีขัว้วหงาหนอนแยกขวหงอหอเหมือนนั้นแยกท้อยอารมณ์อารมณ์กท้อเป็นแล้วหัดเป็นแล้วไม่มีอะไร ให้จะรู้ให้จะเห็นรู้เห็นพบเห็นง่ายๆอะไรก็เห็นเป็นหน้าโลกเนไม่ได้หาไม่ลึกล้อมเป็นความลึกซึ้งรู้กับรู้ซื้อ เวลาอะไรมันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ควารูปครู้ซื่อๆไม่ใช่ไปผิดไม่ใช่ไปถูกกนะ็เลยง่ายเลยสะดวกเหมือ น, นคนตำ ง, งานตำเป็นแนวงานมันทาไปมือมันทาไปอต่ทำไมต้องใช้สมองใช้ตามาทีก็ไม่เป็น ทำทั้งหลก็ไม่เป็นเ็รเลยเป็นเรื่องยากถ้าเป็นเรื่องยากกา็ท้อถอยไม่เอาการทำงานเลยทำอะไรไม่เป็นท่องหนังสือหลายเที่ยวหลายรอกก็ไม่สิดหลงมากกว่ารู้เวลาท่องหนังสือก็หลงเอายากเป็นง่าย อยากแค่มันติดมัก็ไม่เก็บก็อะไรแล้วก็ลืมอะไรเงี้ยเมื่อยังยไม่เต็มก็เป็นอย่างนั้นแหละลองท่องท้องมาจับท่องอะไรท่องหลบสูตรต้องท่องตีโทเอกให้ได้กับปากถ้ามันติดปากให้ติดแล้วก็หยา หนึ่งสองเกาครบลายมีคนถามก็เห็นได้ตอบได้ทันทีเขึ้อนปฏิบัติไม่คิดขึ้นปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติไม่ผิดที่ทำอย่างไรสิ้นสหรวมกายวาจาเรียบร้อย ในเวลาเห็นรูกฟังเสียงลงกลิ่นี่รูตรปป้ตูกท้องปวดตาบับอารที่ข้องามสมหวงรองนี่ปฏิบัติไมเก่งชาคริยาุโยคประบอกความเกียนเห็นจะนอนมากนะวัีสองวันีสอง โอชินีมัจจันจารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารตามสมควรถ้าปฏิบัติสามอย่างนี้หรือว่าปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างมันโต้ตอบได้เพราะมันติดปากมาห้าหกสิบปีแล้วจุดตีอิ่งก็นั้นไม่มีคำพูดเห็น มันเห็นอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเห็นทุกอย่องเห็นแล้วก็หมดพ้นทุกอย่างพ้นทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นทะเละเป็นปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่เหมือนสิ่งภายนอก แต่น้องไปไม่ป่าต้องไปดอกไยจนจะตายก็ยังทำได้อ่ามันไม่มีปูปลาฉันปูปลาก็ยังทำได้ไปนอกแล้วม่คิดดูแล้วใครไหนมันไม่ยากกว่านั้นเมื่อเป็นแระเพียงทำความเห็นได้ถูกต้อง ทำกองเห็นได้ถูกต้องมันเห็นอะไรมันมีอะไรไม่เห็นทุกร้องทุกไม่ถูกต้องโกมันทุกถูกต้องนี่ทความเห็นให้ถูกต้องไม่ได้เอามือไปไร่ไม่เอาอะไรอับเงาใครอะไรไม่ถูกทำกองเห็นเห็นฉกให้ ถ, ถ, ถูกต้อง อะไรที่มันเกิดตัวกายกัวใจท่องความเห็นไม่ถูกต้องหรือว่าสมหมาที่ิดบูเบิกไปได้เลยมันทางเชเวไปได้เลยผิดมันก็บวกผิดถูกมันก็บวกถูกเป็นการสองผักไม่ใช่ความคิดชีวิตทั้งการทั้งใจสองผัก ส, สิ่งที่เป็นเป็นธรรมไม่เป็นธรรม มันของกิ้ n เทเ ท, เทาการปฏิบัติธรรมได้พุกเป็นของเท็จของกิ่ของที่มันไม่กิ้งมันก็มันก็อยู่ไปได้ของที่มันกิ ế งก็ใช้ได้จะไปหาอะไรยู่ไหนพวกนะล่ะเน่ หลงก็บผมไม่จริงเสียเวลาลผ่องไม่จริงเป็นของเท็จเช่นความทุกข์ก็นเนี่ยมันไม่จริงไปดูกรรมัานทำไมจริงที่มันทําให้เกิดทุกข์มันก็ไม่จริงมันไม่มีบังทีเราไปข้อน้อมเหลวเฉ ย, ยมันไม่มีจริงๆริงปยืดเตาม่าตัวว่าตนผมองหลอ ก็ยังเสี้ยเดียบก็ไม่จริงอยู่เสียวเวลาบางทก็สมมุติปัญญักรยังหลงในสมมุติปรรจักรบรรญักรเอาในลูกในรถ ใ, ในกลิ่นในเสียงในอาลงณถ้าชอบก็ไม่ชอบามตามก็ชอบทำตามามไม่ชอบความเห็นไม่ถูก ให้เกิดความเหนี้ิอยู่เฉยๆก็วันหยาดวัน ช, บชอบวันชอบเกิดเฉยๆก็ปุงแจงไปก็ไม่เห็นของเท็จของจริงล้วเฉพาะเห็นความคิดเนี่ยโต้โตที่สุดเลยเนี่ยมีสติอย่างเต็นที่อะไรก็ผ่านออกรืยวนเดียวคือความคิด มันไม่เหมือนตาเห็นลูกไม่เหมือนหูที่ยินเสียงแค่หูเล้ยินเรื่องในรถใายสังขัรอารมณ์ที่เกิดกับจิตใจนั้นเป็นอารมณ์แล้วตอนที่มันคิดที่มันเป็นสมุทัยเป็นสังขารที่มันคิดขึ้นมาคิดแต่สังขารเนี่ยมันออกง่ายมันเข้าง่ายถ้าไม่มีสติสติไม่เป็นอินทรีย์เราไม่ทันมัน เรไม่ทํกก า, กทกาก็ดึงเราไปเกินฉกกไปทุกว่าเป็นไรได้หลายอย่างเกิดจากความคิดที่มันคิดเป็นใจคิดเป็นหัวหน้าจเร็จที่คิดถ้าคิดเชื่อแล้วโคโยกโคตามนําอยู่ก็ตามจะยอมเป็นไปตามความคิดคที่มัน ไม่ถูกต่องเรามีปัญหากับความคิดคือว่าฝันกลางวันวายคิดอกมั่นคุนคิดขนฝันแผ่นด่างผะความคิดหลงก็หลงผ ะ, ะความคิดตายก็ตายผะความคิดเจ็บก็เจ็บผะความคิดทุกข์ก็ทุกข์ความคิดฉุดกเฉุกความคิด แตพอมาเห็นสติมันแก่กล้าขึ้นมาทำในกลังเพียงพอที่จะวัดเวือนคิดไหล่แล้วก็เปรียบเทียบกันนไรแบบสติมันเปรียบเทียบเทียบหล่ของคนคิดเหรอขัางสุดท้ายแไปขอเทียบไปล่เราดูมันไม่มีอะไรทําหรอก กายเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามันไม่เอาจริงกับกายเคลื่อนไหวเป็นส่วนเล็กต้น้อยไม่ได้ไปเพ่งไม่เลยไปโอมกับมันเดินโจมกลมก็เดินไปทั้งนั้นแต่พอเอาจิ้งกันเห็นคิดตัวนึ่งอับขึ้นมาทำดีน่ะนี่แต่กายเคลื่อนไหวอยู่ก็เกิดจากความคิดที่มันจะให้ผิดให้ถูก จั า, จาเอวพ่อพูดวาดจับเอกันต่อหน้าต่อตาจับใต้ได้ทันคาหนังคาเขาเหมือนกับจับโจรคนร้ายสารภาพหมดเปลือกจับได้ตามทันหันกำตามทันเป็นอุกติก็ เป็นกรรมที่จานอนเป็นกรรมที่เรบสารภาพชินกรรมก็สินตรงนี้หมดกรรมก็หมดตรงนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปลู่ตรงนี้นก็ต้องถามถามีฐามีที่อาศัยเพื่อเกิดความเข้มแข็งสู้สึกตัวที่กาย ที่บที่กายเคลื่อนไหวเป็นฐานที่ตั้งมันเราจะฟันต้นไม้ต้องยืนให้นแน่นมันจริงจะมีแรง็มัน <c oughs> ม, มีที่ยืนทำอะไรก็มันได้เพราะไม่มีฐาอนรจะขึ้นสูงก็รตรงมีที่ยืนมีไม้ลังลานมีเครื่องนันไป ไม่ได้ต้องยืนหนักแน่นกำลังขากำลังเอวกำลังแขนกำลังแวงเหลืองแรงเบี่ยมอะไรต่างต้องมถาถามเนี่ยมันดีดีนะมันให้เราใช่จริงๆรนะ่ะายเนี่ยนะให้เราใช้ได้ ทำจากหนักๆเปนรถเป็นพันตัวก็ทำได้ทำของที่มันไม่มีความทุกความหล ง, งมันไม่มีแต่ว่ามันใหญ่ที่ชุดเราบ็อนุบาตที่ไม่เป็นเลยมันแข็ือนดนเหมือนน้ำที่มันคมกว่าทุกอย่างในโลก มนันจบเห็นจบเล็กได้น้ำแท่ให้มันอ่อนแล้วก็เช้่มแข็งแต่ว่าความรู้สึกตัวอะไรมันนิ่มหนวนนะแต่มันชนะอะไรทั้งหลายทั้งวมวลได้มีความรู้สึกตัวที่เล็จะพันหน้าตนาจะร้อยแป ก็ไม่ต้องกลัวถ้ามีสติรู้สึกซื่อๆเนี่ยคำว่าซื่อๆแล้วคำว่าซื่อๆเหมือนน้ำนี่นะมันคดแต่น้ำมาได้นนคดมันก็ไหลไปซื่อๆของมันเองน้ำพองน้ำทีน้ำโมน้ำขขงน้ำเจ้าพ ร, าพรยามันคด แต่น้ำไม่คดไหลไปตรงที่มันไหลตลอดเวลามันควรจะไหลไปต็นไหลไปตรงๆนะมันไม่คดไปกับพื้นดินวัตถุกพวามรอ้จุกตัวเนี่ยมันไม่คดไปกับ วัตุอาการนัตตา ค, ความโกรธความโลภความหลงความเกิดแก่เจตตายคตความพอใจควมไม่พอใจมันคดรโขแต่ก็รู้รู้ไปซื้ อ, อไปนี่ยมันก็ซือซือไปเ น, นรู้ไปเนี่ยเลยสาเร็จในควงซื้อของเงาไปประเทศใดก็คืนเงา ไม่เป็นอันอื่นมันสุกก็รู้ชื่อชอเป็นทวงรู้ไปไม่ใช่สุกเชี่ยวอันทุกก็รู้ชื่อือไม่ใช่ทุกเชีล้วเป็นความชื่อของสติไห้มีเ่อที่ชื่อศักเท่ากับสติที่เอาไปใช้งานใช้การกับไล่มันสุกวันทุก รู้ชื่อชื่อเข้าไปสุขทุกข์ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าห<ม>นักเป็นภา ร, ระอะไรถ้าสุขเป็นสุขเป็นภาระแล้วมีงานเกิดขึ้นแล้วทุกเป็นทุกเป็นภาระแล้วต้องเป็นกรรมเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีกรรมก็มีกิเลสเมื่อมีกิเลสก็มีวิบากเกิดขึ้นแล้ว กรรมิเลสไมบไม่ซื่อแล้ววนอยู่ตรงนั้นกิเลสกรรมไม่เบากรรมเป็นต้นเหตุถ้าหลงเป็นหลงรวมีกรรมลงเป็นต้นเถ้ามีกรรมต้มีกิเลสติด บางทีกติดสุกติดสุกติดโกติดโกติดหลงติดความคิดติดสมมุติติดบัญจับก็เป็นกิเลสเมื่อทีเราก็มีวิบากสุกก็ป็นสุกไปทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปวิบากกรรมแล้วก็เป็นละเปียรก็เป็นเปียรไปทั้งทั้งที่ไม่มีตัวมีตนอะไร เป็นสิ่งที่บันจักขึ้นมาสมมุติอุปหลกขึ้นมาหาหูเสยหมอตัวเองขึ้นมาอยู่เฉยๆอยู่ชื่อๆไม่เอาชอบลุกปื๊อลุกล่นจับนอนจับนี่ดือๆไม่ชื่อไม่ตรงต่อชีวิตของตวเ เลยไม่มีนชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรก <c oughs> ตไม่เป็นอะไรกับอะไรมันสุกก็ไม่สุกก็เป็นสุ ก, ก, ก, สกมานกู้ซื้อซื้อยินไหมไม่เสียงหมย <c oughs> อ่งนี้วทุกมันก็ <c oughs> ทุกซืก้อซื้อไม่ให้มีรสชาติ นี่คชีวิตไม่ได้สุกไปได้สุกกับเขาได้ได้ชีวิตแล้ววันซื่อซื่อเข้าไปเห็นอะไรจะรู้ซื่อซื่เข้าไปมันได้ความซื่อซื่อจากกายจากใจมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีการมีใจมีรูปมีรไมีกลิ่นมีเสียงได้ความซื่อซื่อจาก นี่มันได้จากที่อืถ้าไม่มีสิเหลนี้กาจะไม่มีหรอกชีวิตนะนั้นทุกมันทุกมันผี่มันถูมนกมันได้ชีวิตตรงนี้ะนะมันจะมีชีวิตชีวาตรงนี้เลยพูดว่าเห็นไม่เป็นเห็นนะสติจะเห็นนะเห็นนะสติจริงๆมันจะ มันใช้งานได้คือเห็นรูเห็น <c oughs> สติจะเห็นเป็นหน้าโลบไม่เหมือนหน้าเนื้อหน้าโลบโ ล, บลกโลกรูในกองสำคัญทั้งหลาย สังขารคือมันปรุงอะไรปรุงตรงไหนรอดรู้ไม่ปกติตอกันแล้วมันมันนิ่งมันคือเรื่อนตรงไหนรู้ก็อ๋อนิ่งไม่เหมือนกับกับเพื่อมก็มีสติมันจะเป็อย่างนั้นมันไม่เป็นอันใดถ้ามันเป็นเรื่อน ต่วันน้ำไม่คาว่ากระเพิ่มเป็นคลื่นมาเช่นน้ำมันเป็นคลื่นต่างหากน้ำมันไม่มี่คลื่นสุขมันไม่ใช่ชีวิตทุกมันใช่ชีวิตชีพีชีวิตมันไม่เป็นอะไรตอนที่มันทุกวันสุขมันใช่ชีวิตมันเป็นอันหนึ่งไม่เหตุเหมือนกับน้ำที่อยู่เฉยเฉยมันเกิดเพื่มมันต้องมีอะไร สัมปะคำแั้เรารู้จกว่าอ น, นั่นไม่ใช่ชีวิตมีเท่าไรเท่าไรก็เป็นอย่างนี้จะได้ปัญญาจากชีวะนั้นนั่นไม่ชมันไม่เป็นอะไรกับชีวะนั้นจนถึงความเจ็ความเจ็บความตายก็ไม่เป็นอะไรกับชีวะนั้น น, น, น, น, น, นั่นก็เป็น ชนหนึ่งแต่ชีวิตมันเป็นชนหนึ่งไม่เกี่ยวกับควเป็นแขนไม่กับสิ่งที่มันเป็นไปอยู่กับสิ่งประวัตที่ไม่เป็นตรงกันข้ามอะไรแอนหนึ่งเป็นอันหนึ่งไม่เป็นสุขมก็เป็นช้าอันนี้ไม่เลยไม่ไม่เป็นสุขไปกับความสุขอเป็นทุกข์ไปกับความทุกข์ มีอะไรเจ็บให้หมดเลยเกลี้ยงอ่อนหลอดกันเขาบรรลัยโบราณตลอดม <c oughs> ันเคลี้ยงมันจบมันหมดมันชิ้นงั้นพระพุทเจ้าจับจับโทษชาติสิ้นแล้วภวจันทร์ดูจบแล้วไม่จะเบิกอีกแล้ว สิ่งที่ตับให้สิ่งต่างๆไม่เหลือมีอยู่เราได้ทำแล้วทำได้แล้วแล้วงานแล้วจะให้ทำอะไรไม่มีอะไรต้องทำงคนทำนาแปใหญ่ทำนาแต่ใหญ่หญมันก็แล้วทุกแค่ทุกคนมันนั่งตกวุ่ยควนเียๆนาก็ได วอยเป็นคนพยศแล้วนั่งขี่หลังควายโาขวีก็ได้แต่ก่อนต้องดึงหน้าดึงหลังเราสองไปสองมาก็ไม่ต้องดึงมัอนวางเชือกเลยไปามมาไปห น, หนา ม, ามันก็ตามาไปเอาดั้งเอาดั้งด้วยเอามืองหลวงก็นอนด้วยเอาไปเอามาหายทั้งเราทั้ ไม่มีอะไรเพราะมันไม่เป็นไรเหมืนกินทิ้งทุบตีแล้วนอน ก, กันอนนอนกนอนยดกับตึงอะไรแบบนี้มาก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่ชีวิของเราแลหละไม่โอกาสดที่แล้วเราถ้ามีการมีใจ งงถ้ามีหลงอะไรเี๋ยวมาดูได้ได้ทำงานเกี่ยวมันสักเข้าไปเกี่ยวมันสักตัดสัรู้แล้วทาแล้วต้องหลงหมดเลยแล้วตลงยิรู้ยิเท่านี้เองปฏิบัติธรรมเตียนที่เป็นทุกข์กเป็นทุกข์ไม่ทุกข์เป็นรอยเป็นดีปฏิบัติธรรมนีเจ้าไหลเลียนได้ไม่มีการไม่มีเวลานั่งอยู่นอนอยู่หนึ่งได้ กองเพยก็ยังทำได้อยู่ในน้ำใตน้ำก็ทำได้แ่เจ้าหายเจมได้ยังทำไดไ้คิดกับความตายยิ่งมีสนาหาลาสีหายเจมไม่ได้หอยปูปอตาก็หลงไม่หลง เออก็ไม่มีจริงๆนะวกตถุมันเห็นเห็นเช่นนั่นใน ช, ชีวิตอันที่ไม่ไม่เป็นมันไม่เป็นกับสิ่งนั่นนะแล้วชีวิตโอ้กรรมฐาน <c oughs> แล้วคนที่ไม่เคยเกิดก็ไงไม่เคยมีกรรมถานในที่ทําไม่เป็นกับภาวะจะนั่นจะทํายลางไย้ายแต่กองหลงเพี้ยนแต่กอง ปวด โ, โองชงก๋ยเปลือกกล้วยมันก็เปลือกเหมือกับพี่เปลือกกล้วยปอกเปลือกกล้วยกินง่ายง่ายทุกมันปวดง่ายถึยากอันภาวะที่เจ็บตายมันต้องมีความเข็นกล้าไปจากปฏิบัต เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลง่ะเปลี่ยนถ้ามันมีเปลี่ยนไม่หลงเปลี่ยนได้ได้ได้ง่ายหลงไม่ลงรู้สึกตัวนยิ่งเรามีกรรมฐาน ม, มีมิตที่โกดได้ยิมัน่นคงมีมือเคลื่อนไหวเดินจงกร การเคลืนไบวกายตารูปแบบสติปัฏฐานสต่ยกมือยกเคลื่อนมือเข้าคลื่อนออกคู่แขนเข้ายกแขนออกยิ่งมาทาเป็นจังหวะได้ท iscilla, PI, tous, <c oughs> ัางสติได้ทั้งพลังงานบริหารร่างรายเฉพาะแม่อกหายใจราหายใจทิ้งฉนมากกาหนดตัวชี้อ๋อใจโยมโย กบรอบเี่ิบรอบหายใจเข้าหางใจออกผูกขนลงเข้ายาวยาวสุดสะดุอเอาลม อ, ออกยาวยาวสุดสะด้ดที่สุดที่สุดมันก็ได้กำลังพอได้กำลังพอได้ความเขื่อมแ่นจากการกรเตุ้นจาขคง เวลานี่เราต่อไม่เดินจะผมย่องเหมือนโมนะบี <preoccup Canada> <c oughs> er ๊งเอานะวิ่งป๊งเอาซกซกซกซนะส์เรือในที่มรือไม่เห็มันก็เรือไงเราเันแกบางทีวิ่เอยนี้แข่งเขินวิ่โดยหน่อย่างนี้สาม่ึงนทีแข่งเขียนไงสามถึงนที อออสว่างต่อไปฉันสว่างคนนี้แล้วก็เดีกเหมอะจริงๆในป่าหมอกสำหรับฝุกตนเหมือนช้างผึกช้างทวนช่างผึกช้างเต็มที่หลยไม่ได้ครับแค่ไม่ได้ร บ, บ, บกวนใครไปอยู่ที่ไหนก็ได้ จึงเป็นสนามเป็นเมตีฝึกพวกเราให้มาใช่เพื่อฝึกตนจริงๆไม่ใช่เพื่อมาหาหลบลี้อะไรอยู่คนเยอะเพื่ออะไรเพื่อจะนอนนะไม่ไหมเพื่อฝึกตนเอนอนก็ได้ก็ฝึก ฝึก น, นอนมาหลัก น, นอนให้เองกินให้เอให้ช่วยกันพอจะช่วยกันชินได้อำนอยความสะดวเสงไหนให้เกิดให้กาะจา้รู้สึกตัวเนี่ยให้ช่วยกันให้น่าใจให้น่าใจแล้วก็แล้วก็ ลาดไปจากนี่แหละปฏิบัติธรรมนะมันลาดไปจากน้ำใจไม่เกื่อที่รับฟักที่าชาต่นใครที่ไหนก็มีน้ำใจต่อกัอนคิดจะช่วยเหลือแม้ไม่ได้ทำก็ยังเิดจะช่วยแล้วไปช่วยกัน้นได้ก็เป็นประโยชน์จริงๆก่งทำได้แล้ว อย่ากาด้ยุบนาฏศกปะละเกิดจาก้ารช่วยอ่อนน้อมทรมทนเพื่อจับกล่ำรล่ยตบผู้ร้อยกวเหลอาที่ช่วยตัวเองไม่ได้ไมีลั่นใ จ, จแลสมาธิของหมกคณะวหงพ้องเพียงของหมกคณะอันนี้มันเป็น ที่ลาดที่มเราได้ขึ้นสูงมากผลนี่ผ่านได้เหมือนถ้าเหมือนทางลงที่มันลาดตามขึ้นที่มันลาดมันลาดไปจะได้ไม่ใช่หาตามท่าด้วยเขาลาดลาดไปใช้ดีๆเอาไว้ไม่เป็นไรเอาไว้อยากจะเอาผิดเอาถูกตอนที่ลงโทษเตือนเคี่ยนเตือนจนเกินๆๆๆๆาง ใม่หลับไม่นอนก็ไม่ดีดังให้ดูจับใช้ชีวิตของตนเองให้เหมาะให้สมตั้งใจไว้ไดีดีตั้งกายไว้ไดีๆเราไม่เอาอะไรไม่เป็ี่ยนอะไรเราจะทำชื่อๆนี่เลยฮะเลือกตัวไยเล่นไปโอบยิ้มไว้ในใจไป เาอ า, ากเจ้าเจ้ า, าก็จำในแดกเขสาวบุกถ้หมายทำแบบนี้ามตามนี้ไม่ใช่เราบ้าโบออะไรมีการยิงใจมีความรู้สึกตัวไปในกายผิดตรงไหนมันไม่ผิดมันคมหลงมีควรรู้สึกตัวไป ใ, ใจเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกัายกับ ใ, ใจ ได้จบกองทุก็มันก็ได้งานด้วยการทำกับเผาแล้วทำกับการเหล่านั้นมันหลงก็ไม่หลงได้งานจากควอมหลงมันสุขมัสุขมีวามรู้ได้งานจากกองสุขกองทุกมีจะได้ไม่มีเสียมองให้ดีๆถ้ามองไม่ดีเนก็ผิดผิดถูกถูก ก็ไปไม่ได้หน่อก«ปฏิวัติท ร, รลองรูแยกถายในความเกียดมันก็แยกผ่ายวันถ้าเห็นความเกียดมันจะมันกระสุดชื้นนะเห็นความถูกก็สดชื่นเห็นความถูกก็สดชื่นเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้มันสดชื่นก็ออยอนตรวนั่นละ เกิด ค, ความขยันตรงนัเกิด ค, ควาภาพเปลี่ยนตรงนั้นไม่ทอดไม่ทิ้งไม่ทอดไม่ทิ้งให้ฉุกเป็ุกทิ้เอาลอยให้ทุกข์เป็นทุกข์ทิ้งเอาไว้ให้โกรธให้โลภเป็นหลงทิ้งเอาไว้ขยันตรงนั้นนะเ อ, เอาให้เอาให้แล้วให้มันแล้ว แล้วไปแล้วความหลงได้ความรู้แล้วถ้ามีควารู้เป็นคำตอบความหลงเป็นความรู้เดี๋ยวแล้วไปแล้วชอบแล้วปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเกับทุกข์แล้วปฏิบัติสมควรแล้วมันก็ทาำไงเท่าไรงานที่มันได้ทำเราอยู่นี้ใช้ชีวิตแบบนี้มันทํางานเพื่อโลกแล้ว มันทำงานระดับลรกนะเราไม่ทาให้ตัวเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเช่นเดือดร้อนแล้วก็ทำประโยชน์ด้วยนะกมจบประโยชด์ไ่จบไม่พู่งเพื่อพุ่งพ่อยเนวิตเดี่ยมากอะไร่นี้ น่าจะคีดเกียน่าจะเวอนหน่อยก็ไม่ได้ทรมานอะไไม่ได้ลำบากันไรเราทำอะไรก็ช่วยก็ช่วยโลกก็ได้ช่วยตัวช่วยโลกไม่ต้องแม่ หาเกิดขึ้นตโต ล, ลูกก็เราพอเทียบบอกจะช่วยกันนั่ก็ช่วยกันก่อ น, น, นทํารนพทิศให้ฉับให้จินก็ดีผงเข้าจินต้องเข้าจินก็ดีบอกทางการอยู่ที่ไหนให้ความยิ่มเกิดกันแล้วกันก็ดีให้ความเป็นมิตรเพื่อนกัน เกิดความชั่วอวบีเหล่านี้เป็นมิตรแท้แต่ความชั่ร่มเย็นจีนวัดล้อมทาไมเปลี่ยนแปลงไปประการอาศัยพวกเราทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ได้จากธรรมชาติธรรมชาติมีแต่มิตรแท้แต่ความชั่วปลมเย็นแล้วก็เป็นมิตรกันข้าพเ ไห ม, มีใครเป็นสัตวกลัวผดิการปากปีปากไข่ต่อการที่รู้สอนน้องรู้ดันเวลาใครถามกั น, น, กนไม่เกี่ยวเกี่ยวดา่าอาจารย์ชงถิ่นวัตรชัยอาจารย์ทุม่มอาจารย์อะไรเพื่อนของเราเยอแยะเลยอห้านิ้วสีนิ้ว เราชีวิตตัวมีสมองมิตรบังมากช่วยเราได้จริงๆอะไรที่มันมีปัญหาที่ทำมาได้ด้วยสติปัญญาอะไรก็ะามกันแล้วก็มันใช้จิตอิสาะทุกอย่างเนี่ยก็มีแต่ปัญญาชน ไม่ใช่แต่ที่ลากาที่ขึ้งเรารู็พิสูจน์เป็นดวงว่าแต่เรามีสติมีกายม้สติมีใจมีสติเน่ยมันจะเป็นอย่างบรเอากรรมจำแนกไปเดยียนลงไปไม่ลงนย ท่านทั้งหลายจะอุ่นใจเหมืนอนของตาหรือปาครับเวลานี้เราหวังพึ่งท่านทั้งหลายจริงๆเราทำอะไรมันก็ได้ไปเห็นเดินเจ้าคนพวกอุ่นใจมีชีวิตชีวาอยู่ที่นู่นไม่ค่อยเห็นคนโดยนจงกรมมาอยู่นี่มีเห็นเห็นคนเดินจงกรเห็นยากเห็นโยมบสุทมีบรรยกาศมีที่วัดน้องทีดีกล้เวลาอุ่นปกุ่นใจ เอสอาสนานม่คมอยู่ดาถ้ายังมีผู้ปฏิบัติทรรอยู่นี้นะถ้าไปที่ไหนนไม่แต่คุยกันจดปุรีอะไรคุยกันเล่นก็ไม่้องจะเพิ่งขายหมดโอกาสอะไรขอเพิ่งพวกเราต้องมาให้ช่วยกันมีสติเกียนควมหลงเป็นค ว, ม, ควมไม่หลง ใ้านเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงจะเป็นที่พึ่งของเราเปลี่ยนโกดธเป็นไม่โกดจะเป็นที่พึ่งของเราเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์จะเป็นที่พึ่งของเราพึง่งสิ่งอื่นวัตถุอื่นจะพึ่งเราได้ในโรคนี้แม้แต่ไม่ติน้นไม่ทีไว่ใช่ศาสตราสิ่นจะพึ่งเราได้ถ้าเราเปลี่ยนร้ายเป็นดีจะโรคคอยจัอยู่ได้นา ก็ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีไม่เกยนหลงเป็นไม่หลงไม่เกยนคล้ายเป็นดีโลกาจากพี่นาแเราไปจะเตือนดอนกัน อ, อ่วันนี้เราสบควรเจริญราคะัน